พระพุทธเจ้าทรงตัดเกี่ยวกับพระนิพพานไว้ว่านิบานังปรมังสุนยังนิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุนยังก็คือจิตที่มีความว่างอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุขขัง เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งจิต ท, ที่ว่างอย่างยิ่งเป็นจิต ท, ที่มีความสุขอย่างยิ่งจิต ท, ที่ว่างอย่างยิ่งคือจิต ท, ที่ว่างจากตัณหาทุกชนิดตัณหานี้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่ามีอยู่สองประเภทด้วยกัน คือตัณหาที่เป็นโทษและตัณหาที่เป็นคุณสำหรับผู้ที่ถึงพานิพานแล้วนี้จะไม่มีตัณหาทั้งสองประเภททั้งที่เป็นโทษและทั้งที่เป็นคุณตัณหาที่เป็นโทษก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ได้ถูกกำจัดโดยตัณหาที่เป็นคุณคือความอยากทำบุญทำทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อออกบวชออกปฏิบัติเพื่อรักษาศีลเพื่อภาวนาเพื่อจะได้กำจัดตัณหาที่เป็นโทษแก่จิตใจให้หมดไปพอได้กำจัดตัณหาทั้งหมด ให้หมดไปจากใจแล้วความอยากที่จะทำบุญทำทานความอยากที่จะรักษาศีลความอยากที่จะภาวนาก็หมดไปเหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บขณะที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จําเป็นที่จะต้องมีการทำการรักษามีการรับประทานยา มีการทํากายภาพอะไรต่างๆมีการผ่าตัดพอโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วการกระทําการรับประทานยาการผ่าตัดการดูแลรักษาก็หมดไปหยุดไปไม่จำเป็นที่จะต้องทําต่อไปเจตของผู้ที่ ได้ละตัณหาทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะทําบุญทําทานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ทําถ้ามีโอกาสมีเหตุมีปัจจัยก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากเช่นอยากจะสร้างโบสถ์สร้างวัดก็ไปหาเงินหาทองเรื่อยลายมา เพื่อที่จะนํามาสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรต่างๆแต่ถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนําเอาปัจจัยเงินทองมาถวายให้ก็นําเอาไปทําประโยชน์ต่างๆได้แต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากทําไปเพราะมีเหตุให้ทํามีกําลังทรัพย์ที่จะทําประโยชน์ให้แก่โลกได้ก็ทําไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ทํา ไม่เดือดร้อนทำก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้ทำก็ไม่ได้เสียใจทำกับจะต้องเหนื่อยยากไปเปล่าๆแต่ก็ทำไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำเพื่อความสุขของผู้กระทำไม่ได้ทำด้วยความดีอกดีใจและเวลาที่ไม่ได้ทำก็ไม่มีความรู้สึกเสียอกเสียใจ การอยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเพราะจิตไม่มีความอยากที่จะทำบาปเมื่อไม่มีความอยากจะทำบาปก็จะไปรักษาศีลทำไมไม่จำเป็นจะต้องรักษาเพราะมันก็ไม่ต้องรักษาศีลก็เป็นเหมือนลวกั้นวัวควายไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านแต่ถ้าวัวควายมันถูกฆ่าตายหมดแล้วจะไป มีรั้วไว้ทำไมรั้วมีหรือไม่มีก็เท่าเดิมรั้วนี้มีไว้ก็เพื่อป้องกันสัตว์ไม่ให้ออกไปกินหญ้าในที่ของผู้อื่นพอสัตว์ที่เลี้ยงนี้เอาไปขายเอาไปฆ่าหมดแล้วก็ไม่มีรั้วก็ได้มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไร จิตที่ปราศจากตัณหาความอยากแล้วนี่จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีเหตุที่จะให้ไปทําบาปก็เลยเรียกว่าความอยากจะรักษาศีลไม่มีแต่ถามว่าศีลมีไหมศีลก็มีศีลก็คือความปกติของใจของกายของวาจาอย่างที่ญาติโยมตอนนี้ก็มีศีลตามปกติเพราะตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูด ไม่ได้พูดปดไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้เสพสุรายาเมาเพียงแต่ว่าจะทําอย่างนี้ได้ไปตลอดทุกวันทุกเวลาหรือไม่เท่านั้นสําหรับผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วท่านจะเป็นปกติอย่างนี้ไปตลอดเรื่องการทําบาปนี้จะไม่มีเป็นอันขาด ก็เลยไม่มีความอยากที่จะรักษาศีลเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความอยากจะรับประทานยารับประทานไปมันก็ไม่มีความแตกต่างแต่คนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ยังอยากจะรับประทานยาเพราะอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปความอยาก ที่เป็นคนนี้ก็เป็นเหมือนการรับประทานยาการรักษาโรคของจิตใจคือโรคของความทุกข์ที่เกิดจากเชื่อโรคของจิตใจก็คือตันหาทั้งสามกามาตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหานั่นเองนี่คือความหมายของนิบานังปรมังสุญญ์จิตที่ เป็นจิต ท, ที่ว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความอยากทั้งปวงจะเป็นจิต ท, ที่เต็มไปด้วยปลมระสุกนิบบานังปละมังศูนย์อย่างนิบบานังปละมังสุขขังไม่ได้หมายความว่านิบบานังปละมังศูญยอย่างนี้แปลว่าจิตอันตรธานหายไปบางท่านคิดว่านิพพานคือศูนย์ คือศูนย์ไปหมดจิตก็ศูนย์ไปด้วยแล้วพูไปถึงนิพพานนี้จะศูนย์ไปตรงไหนจิตที่ไปถึงพระนิพพานจะศูนย์ได้อย่างไรจิตโดยธรรมชาติของมันมันก็ไม่ศูนย์อยู่แล้วจิตมันมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ศูนย์ไม่ใช่จิตสิ่งที่ศูนย์ก็คือตัวที่ทำให้จิตมีความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดจาก ตัวนั้นจิต ท, ที่ศูนย์ก็คือศูนย์จากความทุกข์ศูนย์จากความอยากทั้งปวงจิต ท, ที่ไม่มีความทุกข์ก็เลยเป็นจิต ท, ที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นป ร, ม, ปนปรมังสุขขังบะลมะสุขนี่พูดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่หลงไปกับคาพูดของคนหูหนวกตาบวกที่คิดว่า ปฏิบัติไปถึงบนันทีานแล้วก็ศูนย์หมดศูนย์หมดแล้วไปไปทำไมกันจิตก็เหมือนกับไปฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายไม่ได้ไปทำลายจิตไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเท่านั้นเองเหมือนกับการซักเสื้อผ้านี่เวลานาเสื้อผ้าไปซัก เพื่อกำจัดคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าพอซักเสร็จแล้วเสื้อผ้าก็สะอาดบริสุทธิ์แต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกต่างๆฉันใดสิ่งที่หายไปจากจิตของที่เป็นนิพพานก็คือคราบสกปรกของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชากิเลสอาสวะ ต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองเครื่องที่ทำให้ใจเศร้าหมองมีความทุกข์ไม่มีความสดชื่นไม่มีความเบิกบานไม่มีความสดใสเวลาใดที่กิเลสตัณหาทำงา น, งานเวลานั้นจิตจะเศร้าจิตจะไม่สดชื่ น, นเบิกบานเวลาใดที่ กิเลสตัหาพักตัวเวลานั้นจิตจะมีความผ่องใสมีความสุขสดชื่นเบิกบานนี่คือเรื่องของนิพพานนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆทั้งความอยากที่เป็นโทษและความอยากที่เป็นคุณ ถ้ายังมีความอยากที่เป็นคุณอยู่ยังอยากทำบุญให้ทานยังอยากรักษาศีลยังอยากภาวนาอยู่นี้จะมาบอกว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เหมือนกับคนที่ยังอยากจะกินยาอยู่ถ้ายังอยากจะกินยาอยู่ก็แสดงว่าโรคยังไม่หายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่หายยังอยากจะกินยา กินเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปแต่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วมีใครอยากจะกินยาบ้างกินไปทำไมกินไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างขึ้นมามีแต่เสียยาไปเปล่าๆเก็บยาเอาไว้ให้คนอื่นที่เขายังเจ็บไข้ได้ป่วยไว้กินไม่ดีกว่าหรือนี่คือเรื่องของพระนิพพานเป็นอย่างนี้ อย่าไปหลงตาขงความคิดของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติที่ไปว่านิพานนี่คือจิตศูนย์พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดว่าจิตศูนย์พระพุทธเจ้าบอกนิพพานังปรามังศูญย์อย่างนิพานคือสภาพของจิตที่ว่างจากความอยากทั้งปวงนิพพานังปรามังสุขขังนิพานคือสภาพของจิต ที่เต็มไปด้วยบรมสุขเต็มไปด้วยความสุขอย่างยิ่งความสุขที่เกิดจากการกระทําตามความอยากที่ดีคือความอยากทําบุญให้ทานความอยากจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความอยากไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆความอยากที่จะไปบวชหรือไปถือศีลของนัก บ, บวช ไปปีกวิเวกไปปฏิบัติไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาเพื่อกำจัดความอยากที่เป็นโทษแก่จิตใจทั้งสามประการคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือเป้าหมายของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ไปถึงนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังการจะไปถึงเป้าหมายนี้ได้ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัตินี้บางท่านก็ไปได้ง่ายและไปได้เร็วบางท่านก็ไปได้ยากลำบากและไปได้ช้าเพราะบารมี ที่สั่งสมมานี้มีไม่เท่าเทียมกันผู้ที่ได้สะสมบารมีมามากก็จะไปได้ง่ายไปได้เร็วผู้ที่สะสมบารมีมาได้น้อยก็จะไปได้ยากและไปได้ช้าเหตุที่ทําให้ไปยากหรือง่ายก็คือความหนาบางของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจะ ถ้ามีกิเลสตัณหาที่หนามากการปฏิบัติก็จะยากมากถ้ากิเลสตัณหาเบาบางการปฏิบัติก็จะง่ายส่วนการจะบรรลุเร็วหรือช้านีก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของผู้ปฏิบัติว่ามีมากหรือมีน้อยถ้ามีสติปัญญามากก็จะรู้เร็วบรรลุได้เร็ว ถ้ามีสติปัญญาน้อยก็จะบรรลุได้ช้านี่คือความแตกต่างของผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานกันบางท่านใช้เวลาหลายปีกว่าจะบรรลุได้บางท่านก็ใช้เวลาไม่มากฟังธรรมหนเดียวก็บรรลุได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายอย่างด้วยกันปัจจัยสําคัญก็คือการได้ปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติเช่นพระอนนท์นี้ไม่ได้ปฏิบัติไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะมาทําหน้าที่อุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าเวลาส่วนใหญ่จึงทุ่มเทให้กับการอุปถากพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเอาไปบําเพ็ญปฏิบัติจึง ไม่มีจึงไม่ได้บรรลุตลอดระยะเวลาที่รับใช้พระพุทธเจ้าแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันธ์ท้าวรณิพานไปแล้วภายในเวลาสามเดือนพราอนนก็สามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีเวลามาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ เพราะจะต้องคอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้านี่คือเหตุที่ทำให้ผู้บรรลุเดวบรรุช้าบรรุยากหรือบรรลุ่ายอยู่ที่ว่าจะสามารถดึงตนเองให้ออกจากวงต่างๆที่ผูกมัดไม่ให้ไปปฏิบัติหรือไม่นั่นเอง บ่วงที่ดึงไว้ก็คือกิเลสตัณหาเช่นกามตัณหาหรือกามฉันทะนี่เองความยังความติดอยู่ในกามสุขความติดอยู่ในความสุขสบายของทางร่างกายเพราะการที่จะมาปั่งแผนนี้จะต้องกําจัดจะต้องห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเช่น ผู้ที่ซื้อศีลแปดหรือศีลของนักบวชไม่สามารถที่จะหาความสุขทางร่างกายได้ถ้ายังติดความสุขทางร่างกายถ้ายังติดในการรับประทานอาหารสามเวลาสี่เวลาก็จะรู้สึกยากที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติเพราะผู้ที่จะบำเพ็ญปฏิบัติได้นี้จำเป็นที่จะต้อง ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นก็คือรับประทานเพียงครั้งเดียวมื้อเดียวในแต่ละวัน <c oughs> สำหรับผู้ที่ยังติดอยู่กับความสุขในการรับประทานอาหารในการดื่มอะไรขนมนมเนยรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆตามความอยากก็จะรู้สึกว่ามันยากที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติได้ ติดกับการมาสุขติดกับรูปรนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองผู้ที่จะออกมาบวชได้จึงต้องต่อสู้กันอย่างหนักหนาสาหัสจึงรู้สึกว่ายากต่อการที่จะมาปฏิบัติกันแต่ละครั้งเนียพราะว่าจะต้องละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาคู่ครองสามีคู่ครองของตนไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ร้องลําทําเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามเสริมความสวยเสริมความหอมของร่างกายด้วยเครื่องหอมน้ำมันต่างๆ แล้วก็ไม่หลับนอนมากจนเกินไปไม่หลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูก ห, หนาๆที่จะทำให้นอนหลับได้นานได้ยาวผูบ้บำเพ็ญ น, นี้จะต้องหลับนอนพักผ่อนสำหรับร่างกายเท่านั้นคือรับนอนไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็พอ ปกติร่างกายถ้าได้รับการพักผ่อนนอนหลับประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆบนฟูกหนาๆ น, านี้จะมีความอยากจะนอนต่อมันสุขมันสบายไม่อยากจะลุกขึ้นมาบําเพ็ญจิตภาวนาท่านจึงห้ามไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็ ง, ขง ปูด้วยเสือปูด้วยผ้าถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากที่จะนอนต่อเพราะมันไม่สุขไม่สบายสู้ลุกขึ้นมาภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบแล้วจะได้ความสุขมากกว่าการหลับการนอนการรับประทาน การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายดังนั้นผู้ที่มีความอยากในความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่ายากมากที่จะถือศีลแปดยากมากที่จะไปปรีคเวเวกอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะต่างๆห่างไกลจากเพื่อนฝูงห่างไกลจากญาติสนิทมิตรสหาย ต้องไปอยู่โดยเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ตามลำพังนี่คือยากหรือง่ายผู้ปฏิบัติก็คงจะพิจารณาเห็นได้ผู้ที่ไปได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าความอยากในความสุขทางร่างกายนี้ไม่ไม่มากไม่หนาเหมือนกับผู้ที่ยังไปไม่ได้หรือไปได้บ้างแต่ก็น้อยบ้างน้อยมาก ไปได้นานๆไปสักขนหนึ่งผู้ที่มีความอยากน้อยนี่ก็จะไปอยู่ได้ตลอดไปบวชได้ไปปฏิบัติได้แล้วพอได้บวชได้ปฏิบัติแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันในความช้าเร็วก็อยู่ที่ความขี้เกียจหรือความขยันถ้ามีความขี้เกียจก็ <c oughs> จะไปได้ช้าและไปได้ยากเพราะจะไม่เพียรขยันในการเจริญสติแต่กับขยันไปคิดทำนู่นทำนี่ทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ยังไม่มีความเพียรพอที่จะดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ยังปล่อยให้ใจคิดเพ่นพ่านไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ แทนที่จะเข้าทางจงกรมแทนที่จะนั่งสมาธิก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนไปซ่อมกุฏิไปปรับแต่งกุฏิไปทำอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่อันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลไม่ห้ามแต่มันก็ยังเป็นการทะเลทลัยมันไม่ได้เข้าสู่ มักคือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอกคตตารมสักตะวารู้เป็นอุเบกขาเพื่อที่จะได้ใช้อุเบกขานี้มาต่อสู้กับตันหาความอยากโดยการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากว่าจะนำไปสู่ความทุกข์ ไม่ได้นำไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่ตัณหาปรารถนาต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมได้ความสุขในระยะแรกที่ได้มาแต่สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันเปลี่ยนไปมีวันหมดไปพอเวลาสิ่งที่ได้มานั้นเสื่อมไปหมดไปเปลี่ยนไปความสุขที่ได้มาก็หายไป สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะได้สิ่งใหม่มาทดแทนถ้าหามาไม่ได้ก็ต้องทุกข์ถ้าหามาได้ก็ก็ได้สุขมาชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหามาใหม่หามาอยู่รด่เรื่อยจนกว่าความสามารถที่จะหาไม่ได้นั้นหาหามานั้นหาไม่ได้แล้ว ไม่มีความสามารถเช่นเวยามเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่แก่หรือเวลาที่ตายไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ไม่ได้รับการตอบสนองนี่คือการใช้ปัญญาไว้สอนใจหลังจากที่ได้ความสงบจากสมาธิแล้วจะมีความสุข พอที่จะใช้เป็นการต่อรองต่อสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจถ้ามีความสุขแล้วก็พอที่จะยักยำยับยั้งหักห้ามตันหาความอยากได้ถ้าเห็นว่าการไปทำตามความอยากนั้นเป็นการไปสู่ความทุกข์เพราะว่าจะนาไปสู่การ เวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าตราบใดยังมีตัณหาความอยากอยู่ภายในใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังมีความอยากอยู่นี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายใหม่เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่อไปเพราะสิ่งที่ความอยากต้องการนั้น ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะสิ่งที่ต้องการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต้องการรูปก็ต้องมีตาต้องการเสียงก็ต้องมีหูต้องการรสก็ต้องมีลิ้นต้องการกลิ่นก็ต้องมีจมูกต้องการโผลทพะก็ต้องมีร่างกายไว้สัมผัสเช่นการสัมผัสความรู้สึกต่างๆของแขนของ ของอ่อนของนุ่มเอของเบาของหนักเอของหนาวของเย็นของแหลมคมของไม่แหลมไม่คมนี่คือความรู้สึกที่เรียกว่าผลทพะที่ใช้ร่างกายเป็นผู้สัมผัส ร, รับรู้ถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่ก็ยังจะต้องมีตาหูจมกูกดึนกายไว้เป็นเครื่องมือ ไว้รองรับรูปเสียงกิรลดผลพัฒนาต่างๆก็เลยจะต้องมีการไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่พอไปมีร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไปพัดพลาดจากของที่รักบุคคลที่รักกันใหม่อีกรอบหนึ่งครัแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบถ้ายังไม่ได้ กำจัดตัณหาความอยาก ต, าต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะกำจัดก็คือต้องฝืนต้องไม่ทําตามความอยากด้วยการอาศัยกําลังของอุเบกขาที่ได้จากสมาธิและปัญญาที่จะชี้บอกด้วยเหตุด้วยผลว่าการทําตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับการเดินเข้ากองไฟหรือการไปรับประทานยาพิษ ถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษถ้าเห็นว่าเป็นกองไฟก็จะไม่มีใครอยากจะเดินเข้าหาแต่ความหลงนี่มันจะมองทำให้มองไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษเป็นกองไฟกลับจะเห็นว่าเป็นขนมหวานน่ารับประทานกลับจะเห็นว่าเป็นกองสุขอันนี้จึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมีได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราอยู่กับเราได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องจากเอาอกไปสั่งเขาก็ไม่ได้สั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้ นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะต้องใช้หลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธิถ้าใช้ปัญญาก็ไม่จะไม่เป็นประโยชน์เพราะจะไม่สามารถต้านกําลังของตัณหาความอยากได้เ mm. พราะว่าถ้าไม่มีความสุขแล้วก็ต้องไปหาความสุขแต่ถ้ามีความสุขจากสมาธิแล้วก็สามารถเอาความสุขสมาธินี้มา มาต้านความอยากได้ว่าไม่ต้องไปความสุขที่ได้จากสมาธินี้ดีกว่าความสุขที่จะได้มาถ้าเรามีของที่ดีกว่าอยู่แล้วเราจะไปหาของที่เลวกว่าทาไมนี่คือแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยนี่ของที่มันเลวกว่าก็ดีกว่าของที่เราไม่มีตอนนี้เราไม่มีอะไรกันเราไม่มีความสุขในใจที่ดีกว่าความสุขทั้งปวง เราเลยต้องไปอาศัยความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ตามมาก็ตามก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนี่คือเหตุที่ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้ไม่สามารถใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะว่าใจยังหิวยังอยากใจยังต้องการความสุขอยู่ เมื่อไม่มีความสุขที่ได้จากสมาธิก็ต้องเอาความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะทำให้ต้องทุกเวลาที่อยากแล้วไม่ได้หรือเวลาได้มาแล้วจะต้องสูญเสียไปหรือเวลาที่ได้มาแล้วต้องรักต้องหวงต้องห่ว ง, อ, ง, วงอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกัน แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเป็นคนที่อยู่คนเดียวนี่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเงาหงอยเศร้าซ้อยต้องมีเพื่อนต้องมีคู่ครองถึงแม้ว่าได้คู่ครองมาแล้วจะต้องแบกกองทุกข์ของคู่ครองจะต้องมาห่วงคู่ครองของตนจะต้องมาห่วงคู่ครองของตนแล้วจะต้องมาคอยดูแลรักษาเลี้ยงดูคู่ครองของตน แล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่คู่ครองของตนเจ็บไข้ได้ป่วยคู่ครองของตนแก่ลงไปหรือเวลาที่คู่ครองของตนต้องตายไปอันนี้เป็นกองทุกข์ที่จะต้องแบกเพื่อแลกเปลี่ยนความสุขที่ได้จากการได้อยู่กับคู่ครองของตนแต่เมื่อไม่มีความสุขในตัวเองก็จะเป็นที่จะต้องอาศัยความสุขจากการมีคู่ครอง แต่สำหรับผู้ที่มีความสุขภายในใจที่ได้จากความสงบนี้แล้วเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียสู้เอาความสุขที่มีอยู่ในคณะนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่สามารถควบคุม บ, คบังคับให้อยู่กับตนไปไดตลอด ความสงบนี้ถ้าเรารู้จักวิธีทำแล้วเราสามารถทำไปได้เรื่อยๆทำไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเรายังทำความสงบไม่ได้เราก็ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ได้คู่ครองมาไม่กี่วันก็อาจจะตายจากกันไปก็ได้หรือได้มาแล้วกับมีความเห็นไม่ตรงกัน เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันความสุขที่ได้จากการได้คู่ครองมาก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ใจของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรเวลาพบกันใหม่ๆยังไม่รู้จักกันยังไม่สนิทสนมกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนี้มักจะเอาแต่ความดีออกมาโชว์กันแต่พอได้อยู่ด้วยกันแล้ว ทีนี้ก็จะเอาความไม่ดีออกมาโชว์กันตอนที่ยังไม่รู้จักกันยังไม่ได้กันก็จะเอาอกเอาใจกันพอได้เป็นคู่ครองกันแล้วทีนี้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะเอาใจของตนเองเป็นใหญ่ไม่คิดถึงใจของผู้อื่นเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เป็นคู่ครองกันเพราะใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นอันนี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ แล้วจะทำให้หยุดความอยากที่จะไปมีคู่ครองได้แต่ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาค่ายควรได้เวลาเห็นบุคคลที่ชอบที่อยากแล้วมันไม่มีเวลาที่จะคิดถึงอะไรแล้วมีแต่ความคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาเขามาให้เป็นคู่ครองขอ ง, ของเราให้ได้ มีคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรจะให้เขาได้มาเป็นคู่ครองของเราไม่มีเวลาจะมานั่งคิดว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันเมื่อไหร่ได้มาแล้วไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่อันนี้ไม่มีโอกาสได้คิดเลยแต่ถ้ามีความสงบมีความสุขอยู่ในใจแล้วนี้จะมีเวลาคิด พอคิดแล้วเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จะเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียสู้อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าเหงาก็กลับเข้าไปในสมาธิเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปเที่ยวทางะข้างนอกก็ถ้ามีสมาธิอยู่บ้างก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปดีกว่ากลับมานั่งสมาธิดีกว่าทําใจให้สงบดีกว่า พอใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขและมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ออกไปจากหาออกจากการออกไปหาความสุขภายนอกแล้วต่อไปทุกครั้งที่ทำอย่างนี้ความอยากที่จะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะอ่อนลงไปจะเบาลงไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุดทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความอยากก็เท่ากับเราตัด กำลังของความอยากลงไปทีละครึ่งตัดลงไปเรื่อยทีละครึ่งหรือทุกในทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่เราทำตามความอยากก็เท่ากับเพิ่มกำลังของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปทีละครึ่งหรือทีละหนึ่งเท่าตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นคนน้มสูบบุหรี่นี่ก็สูบวันละไม่กี่มวนต่อไปก็เพิ่มเป็นสองเท่าต่อไปก็เป็นสามเท่าสูบไปจนถึง จนร่างกายไม่สามารถรับได้บางคนก็วันละสองสามซองเช่นเดียวกับการดื่มสุรายามเมาตอนต้นก็ดื่มเพียงเล็กๆน้อยๆต่อมาก็ต้องดื่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความสุขที่ได้จากการดื่มเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนี้มันไม่พอเพียงแล้วต้องเพิ่มปริมาณถึงจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับการออกไปเที่ยวตอนต้นก็นานๆออกไปสักครั้งหนึ่ง แต่พอเที่ยวแล้วก็ติดใจก็อยากจะออกไปอีกต่อไปก็ออกไปแทบทุกคืนแทบทุกวันนี่คือเรื่องของความอยากมันจะขยายตัวมันออกไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มหาสมุทรนี้ยังมีขอบมีฝั่งกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งดูซิว่ามันพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้กี่หลายล้านชาติแล้วแล้วยังจะพาให้เราไปเกิดเพิ่มขึ้นอีกต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดความอยากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยมันไม่มีวันลดไม่มีวันจบนะ ถ้าอยากจะให้มันจบก็ต้องฝืนมันต้องหยุดมันไม่ไปทำตามความอยากการที่จะไม่ทำตามความอยากก็ต้องสร้างความสงบสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วถึงจะได้มีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำตามความอยากให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราไปอาศัย ให้ความสุขกับเราเวลาเขาอยู่เขามีก็ดีไปแต่เวลาที่เขาไม่อยู่เขาไม่มีเราก็จะทุกขนะ์เราควบคุมเราไปสั่งเขาให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณากับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีกันหรือสิ่งต่างๆที่เรายังอาศัยอยู่กันในขณะนี้ถ้าเรายังอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอยู่ก็ขอให้รู้ว่าเรากําลังรอ วันที่จะต้องพบเจอความทุกข์กันไม่มีใครที่จะไม่ต้องที่จะไม่เจอความทุกข์กันเพราะว่ารบอบรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะนี้บางทีมันก็หายไปได้บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไปหรือตาหูจมูกลิ้นกายที่ใช้ดูใช้เสพมันก็มีวันเสื่อมได้ต่อไปตาก็จะโมวต่อไปตาก็จะไม่ดีได้หูก็จะหนวกได้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเสื่อมไปตามเวลาตามวาระของเขาพอไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้คนสมัยใหม่ก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายกันคิดจะฆ่าตาหูจะบวกล้นกายกันเพราะว่าไม่สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือให้ความสุขแล้วแต่กลับกลายเป็น กองทุกที่จะต้องแบกไปจนถึงวันตายไหนไหนจะตายแล้วก็ให้มันตายเสียวันนี้ไปพออยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลึ่งกายหาความสุขได้อีกแล้วการฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นความอยากอีกแบบหนึ่งความอยากที่จะทำให้เราต้องไปฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจาก ร่างกายได้เราก็จะคิดฆ่าตัวตายกันแล้วเราก็จะต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาฆ่าตัวเองใหม่นี่อันนี้ก็เป็นทางของของของความอยากถ้าเราดำเนินตามความอยากเราก็จะไปเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้บางทีก็ฆ่าคนอื่นด้วยเพราะใช้เขาให้ความสุขกับเราไม่ได้ เขาไม่ให้ความสุขกับเราเมื่อก่อนเขาให้ความสุขกับเราแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ยอมให้ความสุขกับเราเราก็เกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นขึ้นมาได้เมื่อเขาไม่ให้ความสุขกับเราเราก็ฆ่าเขาเสียพอฆ่าเขาแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเราเองเพราะกลัวที่จะต้องไปรับโทษจากการไปฆ่าผู้อื่นนี่คือผลที่จะตามมา หากเราไม่ควบคุมความอยากหากเราไม่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาป้องกันการกระทำอันเลวร้ายเหล่านี้คือการรักษาศีลการภาวนาทำใจให้สงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากที่จะ อหยุดการเดินเข้าสู่กองทุกหยุดการเดินเข้าสู่ความวิบัติทั้งหลายความชั่วร้ายทั้งหลายเกิดจากอํานาจของตันหาความอยากทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยดัยงนั้นเราต้องพยายามทําใจของเราให้ว่างจากความอยากต่างๆถ้าเรายังมีความอยากที่เป็นโทษอยู่เราก็ยังต้อง ใช้ความอยากที่เป็นคนมาเป็นเครื่องกําจัดมันความอยากที่เป็นคุณก็คืออยากสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยากจะเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทำมาห า, หาเงินหาทองมาซื้อความสุขเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาทำหาความสุขทางใจ มารักษาศีลแปดหรือมาบวชเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเพื่อที่จะได้มีเวลาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่เพื่อจะได้เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อจะได้มีเวลานั่งสมาธิให้มากๆเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรแต่ถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามา มาสอนให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดก็ความสุขที่ได้ก็หมดไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์เราห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตา เราควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็จะทุกข์เพราะเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือหมดไปหรือเขาไม่ทําตามที่เราต้องการนี่คือปัญญาต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผทพระ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าวของเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญของเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่งนั้นแต่การที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อที่จะมาหยุดความอยากได้เราต้องมีสมถะมีความสงบก่อนมีความสุขก่อนมีความสุขใจแล้วก็จะสามารถที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ เวลาไม่มีความสุขใจนี้มันหิวมันโหยมันอยากพอมันได้อยากได้อะไรนี้มันจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดว่าดีหรือไม่ดีผิดหรือไม่ผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกนี่จะเอาอย่างเดียวดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสมถะสร้างความสงบให้ได้ก่อนการจะสร้างให้สงบได้ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่อง การจะมีสติอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ทำอะไรหรือทำอะไรก็ทำให้น้อยที่สุดอย่างพระนี่ก็เวลาที่จะต้องมาทำกิจร่วมกันก็มีไม่มากมีเฉพาะตอนเช้าบิณฑบาตขบฉันหลังจากเสร็จภารกิจนั้นก็แยกกันกลับไปที่พักเพื่อที่จะไปได้เจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิ แต่ถ้ายัางต้องทำงานทำการทรมาหากินอยู่อาทิตย์หนึ่งก็มีเวลาว่างสองวันพอถึงเวลาว่างก็ถูกอำนาจของตันหาความอยากที่อยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจทางตาหูจมูกนิ้วกายฉุดลากไปอีกโอกาสที่จะดึงให้ออกมาอยู่ที่วิเวกที่สงบนี่ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากจะต้องบังคับตัวเองจริงๆถึงจะมาได้ ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกนี่นานๆจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะไปภาวนาสักครั้งหนึ่งถ้าอยากจะภาวนาให้มากต้องบังคับต้องกำหนดไว้เหมือนกับเวลาที่หมอบังคับให้คนไข้รับประทานยาถ้าหมอบอกว่าเออเอายานี้ไปแล้วอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินรับรองได้ว่าคนไข้จะไม่อยากกินยากัน ความอยากจะกินยานี้มันไม่มีเพราะยามันขมมันไม่มีรสชาติมันไม่ อ, อร่อยเหมือนกับครับประทานขนมนมเหนยต่างๆนั้นเราต้องบังคับตัวเราเองให้ไปปฏิบัติให้ได้ให้ไปปลีกวิเวกให้ไปรักษาศีลแปดให้ไปเจริญสติเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิให้เข้าสู่ความสงบ แล้วเมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องบังคับให้พิจารณาทางปัญญาอยู่เรื่อยๆเวลาออกจากสมาธิมาแล้วนี้ต้องคิดไปในทางตายรักเสมอเวลาเห็นรูปก็คิดว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเวลาได้ยินเสียงก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอะไรก็ตามที่เราสัมผัสรับรู้หรือคิดถึงก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรักไปให้หมด คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปหรือคิดถึงคนสวยคนงามคนหนอก็ให้คิดว่าไม่ไม่สวยไม่งามไม่หล่อไม่เหลว เ, เพราะเขาก็มีอาอสุภาษอยู่ในตัวเขามีอวัยวะน้อยใหญ่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือเวลาห ร, ห, รหรือเวลาที่ร่างกายเขาแก่เจ็บตายไปมันก็ไม่ได้ดูน่าชมต้องพิจารณาให้รอบคอบ อยู่เรื่อยๆแล้วจะใช้ความรู้เหล่านี้มาทำลายความอยากต่างๆได้นี่คือเส้นทางของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิพพานังปรมังสุญังนิพพานังปรมังสุขขังถ้าจิตถึงนิพพานแล้วตายสูญหายไปแล้วใครเป็นผู้รับบรมังสุขขังออก็จิตนี่แหละเป็นผู้ที่รับปรมังสุขขัง ตอนนี้จิตพวกเรามีแต่ปรามังทุกขังกันทุกกันอยู่เรื่อยๆทุกกันแทบทุกวันทุกเวลาทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้แต่พอเราบังคับตัวเราเองให้เข้าสู่การปฏิบัติให้เข้าสู่การภาวนาให้เข้าสู่การทำลายตัณหาต่างๆให้มันหมดไปจากใจพอตัณหาหมดไปจากใจแล้วจิตมันจะหายไปไหนจิตมันก็ยังมีอยู่ จิตตัวรู้ก็ยังมีอยู่ตัวที่สัมผัสกับปรามังสุขขังก็ยังมีอยู่จิตของเราไม่ได้หายไปไหนจิตของเราก็เป็นจิตดวงเดิมต่างกันตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์แล้วมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อมีความสุขมีความอิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกจิตก็ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือเรื่องของนิบานังปรมังสูญญ์ยางนิบปบานังปรมังสุขขังที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราขอให้พวกเราพยายามตั้งเป้าหมายไว้ตรงจุดนี้และพยายามพุ่งไปให้ถึงจุดนี้ให้ได้ถ้ามีความตั้งใจมีความจริงใจมีความเพียรมีความอดทนรับรองได้ว่าจะต้องได้ถึง ขอหมายอันนี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาทาวารวาหาปุราตาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกักะปะติ อติตังปฏติตางตุ მ ห um ังคิดปาเมวัสมิจตุสัพเพโปริตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควิน ok ัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิคายุโกภวะ พิวาทนสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมะวัทานเตอายุวโนโสุขังภาลาาั <c oughs> ช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยข้องใจอยากจะทราบ อะไรก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิมประชุมแล้วก็จะขออนุญาตหยุดิยุดการถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือจะส่งไม่ส่งไม่ไปให้ถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามที่ถามมาจากทางบ้านมาถามก่อนครับกาบของพ่อครับ อ, อ, อสุภะกรรมฐานในสติประฐานสี่กับในกรรมฐานสี่สิบเวลาปฏิบัตินี้เหมือนกันไหมครับอาาอันเดียวกันอันเดียวกันคืออสุภะนี้ก็มีหลายลักษณะอาการสามสิบสองของร่างกายอ่าซากศพสิบชนิดตั้งแต่ตายวันแรกไปตายสามวันขึ้นอืดพองออไปทิ้งไว้ในปา่าช้าถูกแมงกากัดสุนักกัดกินขาขาแขนแยกไป อะไรต่างๆเหล่านี้พิจารณาให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพราะเรามักจะถูกขายแต่ด้านสวยเราไม่เอาด้านที่ไม่สวยออกมาโชว์กันก็เลยทำให้เกิดความหลงหลายข้างใครในร่างกายถึงกับฆ่าฟันกันก็เพราะเรื่องของร่างกายนี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นของสกรปรกไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัวมันก็จะทำให้ไม่มีใครอยากได้ แล้วก็จะรังับความอยากตันหาต่างๆภายในใจของผู้ปฏิบัติเพราะท่านมีความอยากแล้วมันจะทำให้ใจฟุง้งซ่านหงุดหงิดลำคาญใจจะไม่สามารถทำให้ใจสงบได้ใช้พุโทโธก็ไม่อยู่ต้องใช้ต้องใช้อสุภาษานั่นก็เรผัดพิจารณาสุภาบ้างอาสุภาที่เราใช้ตอนนี้มันเป็นเหมือนสติเหมือนกับพุโทโธ ไว้สําหรับทําใจให้หายฟุ้งซ่านแต่ยังไม่ถึงขั้นกับถอนรากถอนโคนมันไปทีเดียวเพราะเรายังไม่มีสมาธิมีกําลังพอที่จะถึงกับถอนรากถอนโคนมันให้หมดไปได้แต่ก็พอทําให้มันสงบไม่ให้มันสร้างความลาคาญใจครับให้มั น, นขั้นนี้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนนิวรันเป็นอุปสรรคในการทําใจให้สงบเราก็ใช้อสุภกรรมฐานนี่มากําจัดมัน ไปก่อนแต่มันยังไม่ตายมันจะตายต่อเมื่อเราได้สมาธิแล้วอก็คือว่าหมายความว่าถ้าถ้าใช้เป็นสติแล้วก็สงบลงไปเป็นสมาธิเป็นค้างๆไปเป็นกาค้างไปคืออาจจะไม่เป็นสมาธิมันสงบแบบหายฟุง้งซ่านหายหงุดหงิดลำคาญใจเราจะได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญพุโทโธต่อได้แล้วแล้วท่ากรรมาฐานใน สติปัฏฐานกับในกรรมฐานสี่สิบก็ใกล้เคียงกันกันเดียวกันอันเดียวกันหมายความว่าเราต้องพิจารณาให้มันเห็นเป็นใจรักด้วยใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราปัญหากับเราอยู่ตรงไหนครับถ้ามันเรื่องของความสวยความงามก็ต้องเห็นส่วนตรงกันข้ามเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามถ้าเห็นว่ามันเป็นเจริญท้าวรอยากให้มันอยู่ไปตลอดก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอ แล้วแต่ว่ามันเชื้อโรคมันมันมันมันเป็นชนิดไหนอย่างหมอเวลาจะให้ยาเนี่ยบางทีอาการเหมือนกันแต่เชื้อโรคมันมาคนละที่แไอยาตัวนี้มันไม่ตายก็ต้องใช้ยาอีกตัวหนึ่งถ้าเราลักตัวกัวตายก็ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆจนเห็นชัดว่ามันต้องตายแล้วยอมรับได้มันก็จะหายจากความลักตัวกัวตาย แต่ถ้ามันลักสวยรักงามก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามอยู่ที่สมุ ท, ทยัยอยู่ที่สรรหาความอยากว่าอยากแบบไหนผมว่าครับเรื่พิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าถ้าสมมติเราพิจารณาร่างกายที่เหมือนกับเป็นศพแล้วเราลอกออกมาทีแต่ส่วนตั้งแต่หนังหนังออกมาอย่างนี้นะฮะคืออันนี้มันเป็นอสุภาษิตว่ามันเป็นมันก็เป็นเป็นเทคนิคของแต่ละคนไง บางคนไม่ถึงใจก็ต้องแยกชิ้นแยกหนังออกมาให้มันเห็นแล้วมันดูแล้วมันเกิดความขยะกขยนันเกิดความาๆๆแ้วบางคนๆๆไม่จาเป็นก็ได้ๆๆเพียงแต่เห็น <ๆ S 1> เห็นว่าเป็นซากศพแค่นี้ <ๆ S 1> เห็นแค่โครงกระดูกบางคนก็พอแล้วหยุดความอยากได้มันแล้วแต่ว่ามันมันดือขนาดไหนคนที่จะพิจารณาก็ต้องห า, <ๆ S 1> าวิธีที่จะมาหา หยุดมันให้ได้ดังที่เราอ่านของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี้อาจจะเป็นเป็นเป็นอุบายของแต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกันก็สําคัญก็คือให้มันตันหาให้มันระ ง, งับได้ให้เจตหายฟุ้งซ่านให้หงุดหงิดลาคาญใจให้มันเข้าสู่ความสงบแล้วเข้าสู่ความเป็นปกติให้ได้หรือถ้าแยากชิ้นส่วนแล้วมันก็ ความเป็นคนมันก็หายไปแั้อนนั้นถ้าเราอยากถ้าเราอยากทำะไรอยากจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตา<ะ>อยากชิ้นส่วนลองไล่ไปดูว่าขนนี่มันผมนี่เป็นเราเป็นตัวเราหรือเปล่าเวลาก่อนผมแต่แล้วนี่ไม่มีผมแล้วเลยตัวเราหายไปกับมันหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนื้อนี่ก็เหมือนกันลองไล่ไปแต่ละส่วนเมื่อแยกมันออกมาดูว่าตรงส่วนไหนเป็นตัวเราของเรา หรือจะให้มันกลายเป็นดินน้ํำลมไฟไปก็ได้เวลามันเข้ามามันเข้ามาทางไหนมันก็เข้ามาทางดินน้ําลมไฟก่อนที่ร่างกายมันจะโตขึ้นมาได้ต้องมีน้ําเข้าไปมีลมเข้าไปมีไฟเข้าไปมีดินเข้าไปมีดินก็อาหารที่กินก็ข้าวที่กินก็มาจากดินมาพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปแปลงเป็นอาการต่างๆขึ้นมา และอาการต่างๆก็จเจริญเติบโ ต, ต, ต, ตขึ้นมาได้ก็เพราะดินน้ํานมไสเนี่และเวลามันตายไปมันก็มันก็หายไปไหมันก็หายกลับคืนสู่ดินน้ํานมใสนี่คือการพิจารณาให้เห็นอย่างชาัดเจนว่าร่างกายนี้มั น, เ ป, นเป็นเพียงการประกอบขึ้นของธาตุสี่ดินน้ํานมไฟไม่มีตัดไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีหญิงไม่มีชายคาพูดเหล่านี้เป็นคําสมมุติที่เราให้กับ ร่างกายแต่ละร่างที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองถ้างั้นในกลุ่มของอกรรมฐานสามอย่างก็คือว่าพิจานามณานุสติอสุภกรรมฐานแล้วแยกร่างเนี่ยนะครับเพรว่าแล้วก็ที่เป็นธาตุกรรมฐานดินน้ำลงไฟเนี่ยไม่เป็นกลุ่มที่มันใช้ใช้เพาะว่าก็จะได้เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่ามันเป็นชิ้นส่วนต่างๆทำมาจากดินน้ำลมไฟ ถ้าเห็นอสุภะก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามจะได้เน่ยมันติตตอนนี้มันติดอยู่ตรงนี้ติดที่คิดว่ามันเที่ยงอยากให้มันอยู่ไปตลอดไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะปล่อยได้ร่างกายคนอื่นเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรป่ะเราไม่สนใจ ร่างกายคนอื่นจะจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนแต่พอเป็นร่างกายของเรานี่เดือดร้อนขึ้นมาเพราะมันเป็นของเรานี่มันเป็นของเราจริงหรืเปล่าถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดเราต้องสั่งมันได้ถ้ามันเป็นของเราแต่เราสั่งมันไม่ได้แล้วเดือยมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วมันก็ต้องไปอยู่ดีคือเราใช้สามอย่างนผสมกันได้ผสมกันได้ก็ให้มันเข้ามันต้องรองให้ครบทั้งทุกศัตว์ทุกส่วน พราะมันมันมันไปนเหมือนอสายรัดมันมีไม่ใช่อยู่เส้นเดียวมันมีสามสายครับคําถามสุดท้ายของหลวงพ่อครับพระโสดาบันนี่สามารถตายโดยขาดสติได้ไหมครับหลวงพ่อเช่นถ้าเกิดเขา่เ ถ, ถ้าเป็นโสดาบันท่านมีสติอยู่แล้วถ้าเขามีสมมติเช่นเช่นเรื่องในสม อ, อุดตันแล้วก็โคม่าไปเงี้ย อ, อันนั้นเรื่องของร่างกายร่างกายอาจจะไม่แสดงอาการเหมือนคนไม่มีสติคน แต่ใจมันมีสติเพียงแต่มันสามารถใช้ร่างกายแสดงได้ใช่คือจิตเขายัางมั่นคงอยู่เหมือนเดิมจิตกับร่างกายเป็นคนอนโซวนกันถามต่อจาังากี้นะคะวราโสดาบันถือศีลห้าจิตยังไม่ก็คือตั้งมั่นไม่พอที่จะคือพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจว่าเออ่ปฏิบัติจนเข้าสู่มีปัญญาเห็นโลกุตระใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่า แค่ถือศีลห้าจะไปตั้งวันได้ยังไงหรือคะไม่คําว่าสวสดาบันนี่ท่านถ้าไม่มีความอยากที่จะมาทําให้ท่านต้องไปทำํำอ่าทำผิดศีลห้าก็ได้ไบบปุตรชนนี่ยังมีความอยากที่จะไปทําให้เดินขี้ไปทําผิดศีลห้าได้เช่นเวลากลัวตายหรือว่าอดกลัวอดอยากขาดแคลนก็อาจจะไปยิงนกตกปลาหาอาหารมากินแต่พระสสดามันท่านไม่ได้อยากจะอยู่ถึงขนาดนั้นท่านตายได้ ตอนทงานท่านรู้ว่ากินก็ตายไม่กินก็ตายช้าหรือเร็วเท่านนั้นเองแต่กินกินกินด้วยการฆ่ามันจะต้องไปใช้บาปต่อถ้าไม่ไปท่านเห็นโทษของการทําบาปแต่ท่านก็ต้องมีสมาธิจน จ, นจิตตั้งมั่นเข้าสู่ก็มีเสิง่งก็มีถึว่าคนที่จะเข้าสู่โลกุตระธรรมได้นี่ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องรวมก่อนแต่ว่าถือศีลห้าเอง <ก>ไม่ได้ถือศีลห้าคันถือศีลห้ามันไม่ใช่เป็นการมีศีลห้าเข้าใจไหมมันต่างกันคนถือศีลห้านี่มันไม่มีศีลห้ามันถึงต้องถือกันแต่คนที่มีศีลห้าเขาไม่ต้องถือศีลห้าเข้าใจไหมอย่างที่เมื่อกี้เทศในฟังค่ะอันอันที่สองเนาะค่ะคือหนูปฏิบัติแล้วมันเกิดนั่งสมาธิแล้วมันมีทุกขเวทนาคราวนี้เนี่ย มันเคยใช้ปัญญาในการแยกกายจิตเวทนาได้บ้างไม่ได้บ้างจา้ะค่ะแต่พอนั่งไปหลายๆครั้งเนี่ยในบางครั้งเราก็รู้ทันว่าอา้าวมาแล้วมาแล้วคราวนี้เราก็บอกว่าปัญญาเราก็เคยแยกแล้วนี่เราก็ไม่สนใจในการแยกแล้วจ้ะค่ะเราก็ผ่านไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วใช่ไหม่ะพามาเหมนเราว่าอา้าวลรารู้รู้แล้วค่ะเคยใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะการใช้ปัญญานี้เพื่อไปหยุดความอยาก ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ไม่ต้องตอนยังมีความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือเปล่าบางทีมันก็ไม่แล้วค่ะเหมือนว่าอยู่ก็อยู่ได้ไม่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาแล้วก็อยู่กับมันได้ถ้มันจะเจ็บก็ไปมันเจ็บไปอแต่ถ้ามันอยากให้มันหายก็ต้องใช้ปัญญาว่าเราอยากให้มันหายแล้วมันหายหรือเปล่าไม่หายก็นั่นสดงว่าไปอยากทําไมอยากแล้วมันทุกข์แล้วมันสุข ต้องต้ ง, ตงเอาตรงจุดนี้ตรงจุดตัวความอยากตัวเวทนาไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาคือตัวความอยากอก็คือดูความอยากของเราใช่ไหมคะแส่งว่าในสภาวะในการเกิดทุกขเวทนาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็แล้วแต่ว่าถ้ามีความอยากเราก็พิจาณาไปถ้าไม่มีเราก็ปล่อยให้มันมีเวทนาไปแ ล, แล้วก็บริกรรมของเราไปถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไ ม, ไม่ต้องทําอะไรถ้าอยู่กับมันได้ก็อยู่กับมันไป ถ้ามันทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องพิจารณาให้อยู่กับมันให้ได้เพราะมันยังไงก็ต้องอยู่อ่ะมันไม่ไปอ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่ไปอ่ะแต่สมันยนี้เราใช้วิธีกินยาแก้แก้ปวดกันมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็เลยติดยาแก้ปวดกันพอปวดที่ไรก็ต้องกินยาแก้ปวดกันแต่คนที่แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุ พระกรรมฐานนี่ท่านไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเพราใจท่านไม่ได้ไปทุกข์กับมันใจท่านไม่มีความอยากให้มันหายท่านเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกข์ขังมันนับมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้ามันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้มันมาที่จะทําให้มันไปแต่ใจไม่มีความอยากมันจึงไม่ทุกข์ขังกับมันท่านเอง แล้วมันมีอยู่พะพาวะที่เกิดทุกขเวทนามากๆแล้วใช้ปัญญามันก็หยุดความอยากไม่ได้ก็เลยใช้วิธีหักดิบว่าเอาปวดก็ดูความปวดไปเลยว่าเอาให้ปวดให้เต็มที่เลยแล้วก็บริกรรมว่าปวดมากๆปวดมากๆเลยปวดมากๆปวดก็อยู่กับมันว่าปวดมากๆมันก็มันก็พออยู่ได้เนาค่ะแต่ว่า ก, ก็เราหยุดความอยากให้มันหา ย, ยางไงเราปล่อยให้มันเปิดมันก็ ก็เราก็ทําถูกก็าเราต้องการจะหยุดความอยากค่ะก็คือใช้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะเจ้าค่ะทำมันไม่ทุกกับมันก็ใช้ได้ค่ะทาไปไปวิ่งยาหายาแก้ปวดมัาก่นก็ใช้ได้ไม่วิ่งหานี่วิ่งชนเลยเจ้าค่ะแต่ปวดไม่ให้มากๆเลยเอาดูซิว่ามันจะแบบไปเวลามันปวดฟันปวดท้องปวดอะไรก็ไม่ลองไปหายากิน่ลองปอยให้มันหายไปเองค่ะขอบพระคุณค่ะ อ่ะมาทางนี้ละทางทางพิธีกรมีคนใส่ชุดขาวอยู่คน้าเลยนะอ้ะวอาวเปิดบก่อนฮัลโหลครับเขาบายในการกระตุ้นความเพียรหน่อยครับผมให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆอาจจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้ข กลับน้ำมาส ก, การพระอาจารย์ครับผมมีคําถามมาถามสองข้อครับข้อแรกทําไมเวลาที่เราโดนสะ ก, กิดที่ผิวหนังทําไมรู้ถึงจิตใจครับก็ใจมีวิญญาณไปเกาะติดอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยเหมือนกับมีใครพบไมโครโฟนจอปากอยู่เงี้ยพอพูดปั๊บมันก็ไปออกที่ลําโพงเลยวิญญาณก็คือเหมือนกับตัวเป็นไมโครโฟนไปรับความรู้สึกต่างๆวิญญาณนี้มันมีอยู่ห้าตัว มันไปไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายพออะไรมาแตะปั๊บเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาที่ใจรู้ทันทีพอรูปมาสัมผัสกับตาเนี่วิญญาณมันส่งข้อมูลมาที่ใจแล้วมันส่งยังไงเหรอครับก็อย่างที่เนี่ยนะอย่างที่เสียงพูดเข้าไปในไม้มันก็วิ่งไปตามสายเนี่ยจะไปรู้ทาไมไม่สําคัญรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันข้อที่สองครับทําไมเวลาตอนที่ตื่นเช้าแล้วทําไมเราต้องตื่นตอนเช้าทุกวันแล้วก็ทําไมจิต ถึงเข้ามาทุกเช้าทําไมแล้วทําไมมันมันไม่ตื่นตอนดึกๆเลยตื่นเวลาปวดฉี่ก็ตื่นไม่ใช่เลย <c oughs> ตื่น<ต>คือ<ส>ร่างกายมันต้องพักผ่อนหลับนอนมันก็เลยไปนอนตอนกลางคืนกันอพอมันนอนพอมันก็ตื่นก็พอดีเป็นเวลาเช้าแต่ถ้าเกิดเวลาเช้าแล้วถ้าเกิดแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วทําไมมันมถึงตื่นเหอครับไม่ไงไ ม, ไม่เข้าใจความหมายไม่รู้สึกก็ตายท่านนี่ ไม่ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดผมตื่นจะทุกเจ็ดโมงเช้าแล้วทําไมเวลาเจ็ดโมงเช้ามันต้องตื่นทุกวันนะครับก็มันเป็นนิสัยครมันพักพอแล้วมันก็ตื่นครเ อ, อครับขอบคุณครับอาจารย์ครับในส่วนของกายกับจิตนะครับจิตมันจะเกิดดับเกิดดับมันอยู่ตลอดเวลาไม่จิตไม่จะเกิดไม่ดับอารมณ์ที่อยู่ในจิตมันเกิดดับเกิดดับ ทราบได้ไหกิเลสตัณหานี่มันเกิดดับเกิดดับความรู้สึกต่างๆความรู้สึกนักคิดสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญานี่มันเกิดดับเกิดดับเขาเรียกตัวนี้ว่าตัวจิตความจิงไม่ใช่ตัวจิตตัวอาการของจิตเอาลมเอารมณ์ได้อยู่ในจิตนี่มันพูดไปมันสับสนกันมันเลยพูดกันไปตัวจิตเองนี่มันเป็นตัวที่ไม่เกิดไม่ดับตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับครับแล้วทีนี้อจากที่ คุยกันเรื่องโสดาบันนะครับในโลกุตระโสดาบันเนี่ยยังอยู่ในยังอยู่ในเพศฆราวาสได้เงี้ยครับและทีเนี้ยผมย้อนกลับมาที่ในส่วนของศีลห้าครับศีลห้าเองเนี่ยก็จะมีสี่ข้อที่เป็นการทําบาปในการไปทําร้ายคนอื่นแล้วสีลข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสุลาเมลยะเนี่ยครับจะเป็นศินในข้อที่ทำร้ายตัวเองในการที่ถือสินในการที่เรา ปฏิบัติตรงนี้ครับอาจารย์แล้วทีนี้ถามว่าการดื่มสุราอย่างออกสังคมนิดห น, หน่อยแล้วเรายังครองสติเราได้ยังไม่ไปทําลายคนอื่นเนี่ยถือว่าบาปไหมครับคือกาดื่มสติถ้าดื่มสุราเนี่ยมันไม่ใช้กันเลยมันก็ต้องเมาครับมไม่ไดื่มกันหรอกพอมันเมาแล้วบางทีมันก็ประคองจิตไม่ได้มันก็จะไปทําบาปได้ง่ายขึ้นถ้าถึงไม่อยากให้ดื่มสุรากัน ถ้าดื่มโซดาแล้วรั้มโซ่ไว้กับเตียงแล้วก็นอนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าดื่มโซดาเดี๋ยวคนนั้นชวนให้ดื่มเพิ่มอีกอ้าไอ้นิดเอาอีกหน่อยอ่ะเสียไม่ได้อ่เดือมไปเดือมมาเด๋ยวมันก็เมายิ่งดือมก็ยิ่งมันใช่ไหมงั้นอย่าไปแตะมันอย่าไปเริ่มดีกว่าเหมือนไฟเนี่ยอย่าไปจุดไฟนี่มันเริ่มต้นจากไม้ขีดก้านเดียวนะเดี๋ยวถ้าเผลอปั้นมันลามไปถึงบ้านทั้งบ้านได้ โซาก็เหมือนกันคนที่เดิมเดิมไม่เมานะี่ก็ไม่อยากจะเดิมกันหรอกส่วนใหญ่เดิมก็เดิมเพื่อให้มันเมาจะได้ลืมเรื่องปัญหาอะไรต่างๆไปนี่คือเหตุของการดืม่มโซลากันส่วนใหญ่คลายความเครียดครับแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย อ, าอสุภาครับในส่วนเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรา สามารถพิจารณาอาสุภะได้แล้วโดยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนเป็นอวัยวะนั้นอวัยวะนี้แต่ถ้าเราสามารถเห็นแล้วเราตัดใจได้ก็คือมองแล้วหลุใจแล้วก็ตัดใจได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าถึงอสุภะหรือยัครับก็ก็มีไว้เพื่อตัดการตันหาความอยากที่จะเสกการมนี้เท่านั้นเอง ถ้าคนไม่มีความอยากจะเสกกรรมก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับที่เวลามันจะเสกกรรมเมื่อไหร่เราไม่รู้สิตอนนี้เราบอกว่าไม่มีแต่กับเวลามันมีขึ้นมาในคนหยุดมันได้หเปล่ามันก็ต้องมันก็ต้องดูไปไงเหมือนกันนักมวยเวลาซ้อมอยู่ก็บอกชนะแนไ่ได้ได้เข้มขัดแน่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีมันพูดยังไงก็คุยกันได้ทั้งนั้น มันต้องขึ้นไปบนเวทีก่อนนะติกโลเวลาไปเจอคู่ต่อสู้จริงๆหนึงจะรู้ว่าเออหน้าจริงหรือไม่ออการพิจารณาคือพระแล้วยังไม่ได้เจอตัวมันก็บอกเ อ, อ้ยไม่มีความอยากแล้วก็พูดไดเออ้เวลามันเจอมันจริงๆแล้วดูซิว่าจะหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้แล้วก็รู้ว่าเราหยุดได้ละเราชนะมันละเหมือนคนเลิกกินเหล้าวาจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้ พูดได้ถ้าไม่ยอมเลิกก็ตีอ้าววามาคำถามจากทางบ้านจากคุณมานะการที่พระสงฆ์นำเงินที่ได้จากการเป็นพระสงฆ์ไปซื้อรถให้แม่อาบัติหรือบาปไหมครับคือเงินของสงฆ์นี่เขาแบกไว้สองส่วนเงินที่เป็นของส่วนกลางของวัดนี่เขเอาไปไม่ได้เงินที่เป็นส่วนตัวนี่เขาก็อนุญาตให้ไปใช้ส่วนตัวได้ แต่ผู้ตามหลักธรรมก็ให้ไปใช้ในในการสนับสนุนความเป็นพระของตนเองส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าอยากจะไปทำบุญให้ทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามจากคุณออฟอยากให้หลวงพ่อขยายความสี่ข้อสี่ครับเพราะว่าในสีลทั้งห้าข้อนี้ส่วนตัวผมคิดว่าข้อสี่เป็นข้อที่ต้องใช้สติกากับมากเมื่อต้องใช้ชีวิตทางโลกครับ ก็ให้พูดความจริงไม่ให้พูดความไม่จริงนั่นเองถ้าไม่จริงก็อย่าพูดและการพูดหยอกล้อหรือตลกกับคนที่เราพบเจอเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับลูกน้องเป็นการพูดเพ้อเจ้อหรือเปล่าครับอันนี้มันสําหรับผู้รักษาศีลแปดผู้รักษาศีลห้านี่เพียงแต่ให้พูดความจริงเพรในศีลห้าไม่ได้มีกําหนดไว้ว่าจะต้องไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําหยาบหรือพูดก็ไม่รู้นะถ้า ถ้าถ้าไม่อยู่ในสินห้าก็พูดไม่ได้เราไม่แน่ใจเราคิดว่ามันอยู่ในสินแปดมากกว่าสินห้าก็เพียงแต่ว่ามุสาวาทาเวรมะนีสินแปดก็เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาจะขยายเพิ่มอันนี้อาจจะเป็นคือคำว่าพูดเพ้อเจอพูดคำหยาบพูดส่อเสียนี่ทัาเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมทางทางวาจา คือถ้าอยากจะรักษาอากุศลทางวาจาก็ต้องไม่พูดสิ่งเหล่านี้แต่ในทางศีลนี่ท่านห้ามเพียงแต่คำว่ามูสาคือพูดปดเท่านั้นเองยันต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนมันไม่ได้อยู่ในศีลมันอยู่ในอกุศลระบทอกุศลลกรรมบทอะไรนี้คำถามจากคุณขจรผมมีอาการเบื่อการทำซ้ำในทุกๆอย่าง พอจะทำอะไรมันก็ต่อต้านในใจเช่นกินข้าวเที่ยวมีแฟนใหม่คล้ายๆว่ามันสุกแต่มันไม่จบไม่สิ้นมีอาการแบบนี้หลังจากแฟนผมโลกไปหนึ่งปีผมจึงไปวัดเกือบทุกวันไปนั่งสวดมนต์คนเดียวนานๆกลับมาบ้านก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างสลับกับทำงานปกติ ทำแบบนี้ทั้งวันเกือบปีรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางการงานและความคิดสี่ห้าสมบูรณ์มากขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกติดและแก้ไขไม่ได้เลยคืออารมณ์การมาราคาอย่างในการที่จะมีครอบครัวใหม่มีแฟนใหม่ที่ต้องข่มมันทุกวันเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆถ้าตัดอารมณ์นี้ได้จริงผมน่าจะมีทางออกในตัวเองชัดเจนขึ้น ผมควรทําอย่างไรดีครับก็ควรหมั่นเจริญาสุภาษณ์พิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายคําถามจากคุณดุลธิพัฒนข้อแรกพระโพธิสัตว์ต่างจากพระอริยะอย่างไรครับคือพระโพธิสัตว์ก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราเพียงแต่ว่าท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ส่วนภระระยะนี้เป็นผู้ที่ได้บรรลุมรลนิพานขั้นต่างๆข้อ 2. ผมเคยอ่านประวัติพระกรรมฐานบางองค์ในประวัติบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการผมสงสัยว่าถ้าพระโพธิสัตว์จเจริญมากจนถึงที่สุดแล้วท่านจะสามารถบรรลุนิพานในชาตินั้นๆได้เลยไหมครับ หรือว่าต้องสะสมบา ร, รมีต่อไปเรื่อยๆตามความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการครับมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนารวมว่าต้องการที่จะตัดสรู้ด้วยตนเองก็ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีคือค้นคว้าหาความจริงสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยตนเองคือไม่สนใจที่จะศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน ถ้าอย่างนี้ก็จะก็จะต้องบำเพ็ญต่อไปจนกว่าจะพบกับพระอริยาาสัจสี่ได้ด้วยตนเองส่วนผู้ที่คิดว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าๆ เ, เ, เพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าหรือการเป็นพระอาจานตสาว ก, กผลก็คือเท่ากันได้นิพพานเหมือนกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันได้ ได้พบกับบร ม, มสุขเหมือนกันก็ทำไมจะต้องมาหาหาทางด้วยตนเองไงเมื่อมีคนทำทางให้เดินแล้วคนเหล่านี้เขาก็เปลี่ยนเป้าหมายได้เปลี่ยนจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิได้เพียงแต่ว่าในทางโลกฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เท่เหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกนี่เป็นเหมือนลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคนที่มีกิเลสมากก็ยัง อาจจะอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่อยากจะเป็นลูกสิทธิ์ไขถ้าคนมีกิเลสมากไม่สามารถถอนกิเลส ต, ตัวนี้ได้ก็ต้องบำเพ็ญต่อไปอีกหลายกับหลายกันกว่า จ, จะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่คนที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาว่ามันก็เหมือนกันแหละเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระเป็นสาวกมันก็เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันหลุดพ้นเหมือนกันถึงท่านนิพพานเหมือนกันเหมือนกับคนไข้เนี่ย มีสองวิธีเลือกจะรักษาเองหรือไปให้หมอรักษาให้เอถ้ารักษาเองก็ต้องไปศึกษาค้นควา้าหาวิธีรักษาต่างๆอาจจะต้องไปเรียนโรงเรียนแพทย์ก่อนโรงเรียนก็ไม่ยอมเรียนอยากจะเรียนเองด้วยก็ต้องไปศึกษาค้นหาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเองไปออส่วนคนที่บอกว่าเรื่องอะไรต้องไปศึกษามีหมอมียามีพยาบาลมีโรงพยาบาลแล้วเข้าไปวันสองวันก็หาย ก็เขาเปลี่ยนทางไปตอนต้นเขาก็คิดว่าจะรักษาด้วยตัวเองทีเพราะตอนนั้นมันไม่มีใครจะรักษาคนที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี้อาจจะไม่ได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็เลยคิดว่าจะต้องทําเองไปแต่พอมันเจอพระพุทธศาสนาแล้วเหมือนคนไข้เจอโรงพยาบาลแล้วก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งว่า ยังอยากจะค้นคว้าหาวิธีรักษาด้วยตนเองหรือว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลให้หมอเข้ารักษาให้ถ้าเข้าโรงพยาบาลสองสามวันก็หายถ้ารักษาถ้าค้นคว้าวิธีรักษาเองก็ จ, จะอีกหลายกลับหลายกันก็เลือกเอาบางท่านก็เปลี่ยนใจตามประวัติหรือตามที่ได้ยินได้ฟังเขาเล่ากันว่าหลวงปู่มั่นนั่นก็เคยปานาพุทธภูมิ ท่านกำม่นสร้างบารมีเช่นทานบารมีคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาไปสร้างปัญญาบารมีไปปฏิบัติจเจริญไปภาวนาไปปิกวิเวกจนถึงอายุหกสิบท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนทิศทางเลิกสอนคนอื่นเลือกช่วยเหลือคนอื่นแล้วไปปลิกวิเวกอยู่เชียงใหม่ช่วงระยะอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบท่านไปบรรลุทำขั้นสูงสุดที่ ที่ในที่ในป่าในเชียงใหม่เห็นเขาเล่าว่าท่านเปลี่ยนเปลี่ยนจากถอนจากการเงิน พ, พุทธภูมิมาสู่เป็นสาวกภูมิท่านถึงได้สำเร็จในชาตินี้ได้ถ้าท่านยังยึดติดในการสร้างบารมีท่านก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนก่อ น, อนที่จะช่วยเหลือตอนเองนี่คือเมตตาบารมีใครเดือดร้อนใครมาขอความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเขาก่อนคือต้องการสร้าง เมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีอย่างเต็มที่ปลาใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือเขาก็เลยไม่มีเวลามาช่วยเหลือตอนเองคล้ายๆกับพระอานุนเนี่ยพระ อ, อนุนก็รับใช้พระพุทธเจ้าจนในที่สุดพอพระพุทธเจ้าจากไปแล้วถึงไม่ต้องไปรับใช้ใครแล้วก็เลยมารับใช้ตัวเองได้พอรับใช้ตัวเองสามเดือนก็จบช่วงที่รับใช้พระพุทธเจ้ายี่สบปีมั้ง ก็อยู่ติดอยู่แค่ขั้นโสดาบันนั่นแหละไม่ได้ไปไปถึงไหนแต่ถ้า อ, น, อนนี้คงจะไม่ได้มีความปรารถนาพุทธภูมิเป็นแต่ท่านไม่มีเวลาไปปฏิบัติให้กับตัวท่านเองแต่นั่นเองแต่คนที่มีความปรารถนาพุทธภูมินี้มักจะ ม, มักจะยึดการสร้างเมตตาบรารมีกับทานบรารมีเป็นหลักลยันถ้าใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือนี้จะไม่ทิ้งเขาอย่างพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เนี่ยพวกพุทธภูมินี้ไม่ไปแล้วก็จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไปก่อนแต่พวกสาววุ้งพรภูมิอาจจะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเกิดตายพรุ่งนี้วันนี้ถ้าไม่รีบไปรักษาเสียแต่วันนี้เดี๋ยวมันไม่มีโอกาสเนี่ยเขาก็ไปกันเปลี่ยนเป้าหมายไปเห็นการคนที่เคยถือพุทธภูมิก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ถ้ายังไม่ใช้ปัญญาก็ยังอาจจะมีความผูกมันแน่วแน่ต่ออธิษฐานของตนอังจิตอธิษฐานยังไงแล้วไม่ยอมถอนโดยเด็ดขาดอันนี้มันก็เป็นบารมีอีกแบบหนึ่งอธิษฐานบารมีศัจจบารมีอันนี้มันก็แล้วแต่สิ่งที่จะมาถอนมาแก้อธิษฐานสัจจบารมีได้ก็ต้องปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นเอง แต่ปัญญาด้วยเหตุผลมันเหนือกว่าคนทีป่ปฏิบัติด้วยเหตุ ด, ด้วยผลก็ต้องยอมรับเหตุผลนั้นเช่นเรื่องอะไรจะต้องไปสร้างบา ร, รมีของตนเองในเมื่อมีบา ร, รมีของคนอื่นให้มาใช้แล้วใช้บา ร, รมีของพระเจ้าไม่ดีกว่าเลยใช้บา ร, รมีขอพระเจ้าภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้แนละ้วคำถามจากคุณภาวนาสามีภรรยา เมื่อสามีออกบวชสามารถออกบวชหรือหนีไปบวชได้เลยใช่ไหมคะสามีภรรยาเมื่อคนใดคนหนึ่งออกบวชเมื่อสามีออกบวชสามารถออกบวชหรือหนีไปบวชได้เลยใช่ไหมคะสามีอะคะ่ะสามีอยากจะไปะก็มันก็ต้องคุยกันก่อนไม่ดีกว่าเลย <laughs> ก็เป็นเป็นคู่กันเป็นสมบัติของกันและกันแล้วก็ถามต่อว่าแต่ทำไมภรรยาจะออกบวชจึงต้องขออนุญาตสามีก่อนเหมือนในประวัติแม่ชีแก้วที่ต้องเฝ้าอ้อนวอนให้ท่านออกบวชชีอยู่หลายปี อ, อ่ออาจจะเป็นธรรมเนียมในสมัยโบราณว่าภรรยานี้เป็นสมบัติของสามีสามีเป็นเจ้าของภรรยาเป็นเหมือนทาสเป็นเหมือนคนรับใช้ โยนยาจะไปก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนอันนี้อาจจะเป็นธรรมเนียมความความปฏิบัติของในอดีตเ้าถือกันอย่างนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องขออนุญาตก่อนแม้แต่สมัยปัจจุบันนี้คนที่เป็นข้าราชการเป็นก็ยังต้องไปขออนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินเวลามาบวชนี่เขาจะสอบถามก่อนว่าเป็นข้าราชการหรือเปล่าได้รับอนุญาตจากพระราชาหรือเปล่า ถ้าเป็นลูกก็ต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่ซะก่อนถ้าพ่อแม่แม่อนุญาตก็บวชไม่ได้บวชแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมไม่มีนะไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติ